บุคคลผู้บำเพ็นตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการเป็นอย่างไรคือละถึงนิโครธการที่บุคคลผู้บำเพนตะบะจะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บำเพนตบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นครหัดพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงบละถึงเขาละนิวรห้าประการนี้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 มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่1ทิ่ 2, ที่สองทิศที่สามทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3มชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง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 จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาเรารุชาก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นิครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกี่กันบาปด้วยตะบะ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 เรื่องการถึงความบริสุทธิ์ที่ถึงยอดและถึงแก่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกการกี่กันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นขอประธานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดและถึงแก่นแห่งการกี่กันบาปด้วยตะบะเถิดนิโครธบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สํารวมด้วยสังวรสี่ประการ บุคคลผู้บัมเพนตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการเป็นอย่างไรคือละถึงนิคโครดการที่บุคคลผู้บัมเพนตบะจะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บัมเพนตบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นเครหหักพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงดละถึง เขาละนิวรณ์หประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทอนกําลังปัญญามีเมตตาจิตละถึงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่1ทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูนเป็นมหากระตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3มชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้างและถึงเขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เขารู้แช่ถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า มูสัตผู้เจริญเหล่านี้ที่ประกอบกายทุจริตรวจีทุจริตและมโนทุจริตรกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกแต่มูสัตเหล่านี้ที่ประกอบกายสุจริตรวจีสุจริตและมโนสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบ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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วปริพาชกเหล่านั้นส่งเสียงอื้ออิญว่าในเรื่องนี้พวกเรากับอาจารย์ชิบหายละในเรื่องนี้พวกเรากับอาจารย์วอดวายละพวกเราไม่รู้มากยิ่งไปกว่านี้เลย สรภาพผิดของนิโครธปริภาชกเมื่อสันทานข้าบดีทราบว่าบัดนี้อัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านี้ตั้งใจฟังพระภาสิต ข, ของพระผู้มีพระภาคเงี้ยโสดลงสดับไม่ทรงจิตไปในที่อื่นโดยแท้จึงได้กล่าวกับนิโครธปริภาชกว่าท่านนิโครธท่านได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าบดีท่านพึงทราบเถิดพระสมณโคโดมจะเจรจากับใครได้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 ไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่เฉพาะภายในที่สงัดเท่านั้นข้าหาบดีขอให้พระสมณโคโดมมาสู่บริษัทนี้เถิดพวกเราจะผูกพระสมณโคโดมด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นเวียงให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าเะนั้นท่านนิโครดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาถึงที่นี่แล้วพวกท่าน จงทาให้พระองค์ไม่กล้าเสด็จเข้ามาสู่บริษัทจงทําให้เป็นเหมือนโคตาบอร์ดเดินวนเวียนจงผูกพระองค์ด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นจงเหวี่ยงพระองค์ให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าเถิดเมื่อสันทานข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนี่โครดปริภาชกนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าตอบโต้ไม่ได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า นิคโครดปริภาชกนั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าตอบโต้ไม่ได้จึงตรัสกับนิคโครธปริภาชกดังนี้ว่านิคโครธท่านกล่าววาจานี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าววาจานี้จริงเพราะความเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดนิคโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร ท่านเคยได้ยินปริภาชกผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันอย่างนี้บ้างไหมว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้วมีพระสุรเสียงดังอื้อเอิญอยู่มักทรงสนทนาถึงเดระจฉานคถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์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 เหมือนท่านกับอาจารย์พูดคุยกันในบัดนี้หรือหรือว่าท่านเคยได้ยินมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงใช้สอยเสยนาสนะเป็นป่าละมาอกและป่าทึบอันสงัดมีเสียงเบามีเสียงเอ็ดอึงน้อยปราศจากเสียงพูดของคนที่สัญจรเป็นสถานที่ควรทำเรื่องลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเหมือนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินปริพาชกผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาอาจารย์ผู้สืบกันมาว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้วมีพระสุรเสียงดังอื้ออึงอยู่มักทรงสนทนาถึงติรชฉนคถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรละถึงเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ เหมือนข้าพระองค์กับอาจารย์พูดคุยกันในบัดนี้ก็หามิได้พระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงใช้สอยเสนาสนะเป็นป่าละม่อและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอื ก, กทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเหมือนพระผู้มีพระภาคในบัดนี้นิคโครธท่านเป็นผู้รู้เป็นคนแก่ ไม่ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ตร <so ัสร really> ู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู yeah, ้พระผู้มีพระภาคนั้นทรงฝึกตนแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกตนพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระผู้มีพระภาคนั้นทรงข้ามโอหะสี่ประการได้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อข้ามโอหะสี่ประการพระผู้มีพระภาคนั้น ทรงดับกิเลสได้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความดับกิเลสได้การทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันรย์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเนื้อโครดปริภาชกเรีกกลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดได้ครอบเมืองข้าพระองค์ผู้โง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์ตามความผิดเถิดเพื่อจะได้สํารวมต่อไปนิโครธเอาเถิดความผิดได้ครอบเมืองท่านผู้โง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งได้กล่าวกับเราอย่างนี้แต่เธอเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพตามความเป็นจริง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 เจ็ดเดือนจงยกไว้เพียงหกเดือนเพียงห้าเดือนเพียงสี่เดือนเพียงสามเดือนเพียงสองเดือนเพียงหนึ่งเดือนเพียงครึ่งเดือนนิโครธครึ่งเดือนจงยกไว้บุรุษผู้รู้ไม่อโอดอไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียงเจ็ดวัน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 นิโครธบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้เพราะปรารถนาจะให้เราเป็นอันเตวาสิกแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นผู้ใดเป็นอาจารย์ของท่านผู้นั้นก็จงเป็นอาจารย์ของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอุเทศจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น อุเทศใดเป็นของท่านอุเทศนั้นก็จงเป็นของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณาโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอาชีพจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอาชีพใดเป็นของท่านอาชีพนั้นก็จงเป็นของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ตั้งอยู่ในอกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมก็จงเป็นของท่านกับอาจารย์ต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรม และธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมก็จงเป็นของท่านกับอาจารย์ต่อไปนิโครธ ด, ด้วยประการอย่างนี้แลเพราะปรารถนาจะให้ท่านเป็นอันเทวาสิกเราจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านเคลื่อนจากอุเทศจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ ปรารถนาจะให้ท right ่านเคลื่อนจากอาชีพจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ดำรงอยู่ในอกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่นิโครธเราแสดงธรรมเพื่อให้ละอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ที่เศร้าหมอง ที่สร้างพบใหม่ที่มีความกระววนกระวายที่มีทุกขเป็นผลที่มีปัจจัยแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อต่อไปท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมแล้วจักละธรรมเป็นเหตุให้เศร้าหมองได้ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้วจากเจริญยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายจักรู้แจ้งความบริบูรณ์แห่งปัญญาและความพัยบุ์ด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ปริพาชกเหล่านั้นได้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าตอบโต้ไม่ได้คล้ายกับถูกมารโดนใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าโมฆบุรุษเหล่านี้ทั้งหมดถูกมารใจบาปโดนใจแล้วจนไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งที่คิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีพวกเราจากประพฤทธพรมจรในพระสมณโคดมเพื่อความรู้ทั่วถึงบ้างว่า เจ็ดวันจกปอผลอะไรได้พระผู้มีพระภาคทรงบรรลือศีหนาฏในอารามของปริพาชกของพระนางอุทุมมะพรกกาแล้วทรงเหาะขึ้นสู่อากาศปรากฏพระองค์อยู่บนภูเขาคิจกูรส่วนสันทานข้าพเดีก็กลับเข้าไปกรุงราชครึกในขณะนั้นเหมือนกันอุทุมมะพฤกาสูตรที่สองจบ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 เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติ ธ, ธรรมอันเป็นโครจรซึ่งเป็นวิสัยอันเสริมเนื่องมาจากบิดาของตนมันจะไม่ได้โอกาสจะไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายบุญนี้ย่อมเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุ เรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิท่นละหะเนมิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าท่านละหะเนมิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจากรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจตประการได้แก่หนึ่งจักรแก้วสองช้างแก้วสามมาร์แก้วสี่มณีแก้ว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 เมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้าทันละหะเนมิรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าบุรุษผู้เจริญในขณะที่ท่านเห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแก่เราทันทีราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชาดำรัสแล้วเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี ราชบุรุษนั้นได้เห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งจึงเข้าไปเฝ้าเท้าเธอถึงที่ประทับแล้วเรียกราบทูลพระเจ้าจักรพัน์พระนามว่าท่านละหเนมิดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝาละองทุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วลำดับนั้นเท้าเธอรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่า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 ลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตภิกษุทั้งหลายครั้นพระเจ้าทันลหาหะเนมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วทรงโกนพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบนรรพชิต เมื่อพระราชเรือสีพนวดได้เจ็ดวันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธ า, านไปครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วถึงที่ประทับเดียกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธ า, านไปแล้วขณะนั้นเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธ า, านไปแล้ว เท้าเธอทรงเสียพระไทยทรงแสดงความเสียพระไทยให้ปรากฏจึงเสด็จเข้าไปหาพระราชฤาษีถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเมื่อเท้าเธอกราบทูลอย่างนี้พระราชฤาษีจึงตรัสว่าลูกเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นทรัพสมบัติที่เป็นมรดกเสิมมาจากบิดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤติจักวัดดีวัรอันประเสริฐข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือเมื่อลูกประพฤติจักวัดดีวัดอันประเสริฐสนานพระเสียรในวันอุโบสถ15คหารักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนประสาทหลังงาม จะปรากฏจากแยวอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมพันซี่มีกรงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างจะกวัดดีวัดอันประเสริฐจากวัดดีวัดอันประเสริฐ น, นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าลูกเ อ, อ๋ยถ้าเช่นนั้น ลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้นสักระธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในกำลังพลผู้ัตริย์ผู้ตามเสด็จพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทสมณพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมการกระทําสิ่งที่ผิดแบบแผน อย่าได้เป็นไปในแว่นแควนของลูกอันหนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแขวนของลูกไม่มีทรัพย์ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วยอันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแขวนของลูกเว้นขาจากความมัวเมาและความประมาทตั้งอยู่ในขันติความอดทนและโสระจะความสงี่ยมฝึกตนสงบตนให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียวลูกพึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นตามการอันควร แล้วไต่ถามสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานครั้นลูกได้ฟังจากสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว สิ่งใดเป็นอกุศ for ลพึงละเว้นสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นกุศลพึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้นให้มั่นลูกเอ๋ยจักวัตดิวัตอันประเสริฐนั้นเป็นอย่างนี้แลการปรากฏของจักแก้วภิกษุทั้งหลาย กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วรับสนองพระดํารัสของพระราชฤาษีแล้วทรงประพฤติจักรวัดดีวัตรอันประเสริฐเมื่อเท้าเธอทรงประพฤติจักรวัดดีวัตรอันประเสริฐอยู่สนามพระเสียรในวันอุโบสถ15บห้าค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนประสาทหลังงามปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรามพันซี่มีกลมมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง เมื่อกษัตราย์ที่ราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทอดพระเนตรแล้วทรงดําริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่ากษัตริย์ที่ราชพระองค์ใดผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15บ่ํารักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามจะปรากฏจากแย้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมพันซี่มีกรงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง กัตราย์ที่ราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกระมังลำดับนั้นเท้าเธอทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภูษาฉวียงบาพระหัตซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตขวาทรงชูจากแก้วขึ้นตรัสว่าจากแก้วอันประเสริฐ จ, จงหมุนไปจงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจากแก้วหมุนไปทางที่ตะวันออก เท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาในประเทศที่จักแก้วอันเป็นทิพย์หยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพาคนเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์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 และจุงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันตกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอจากนั้นจักแก้วหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันตกแล้วกลับหมุนไปทางทิศเหนือเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมในประเทศที่จักแก้วอันเป็นทิพย์หยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือ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 ไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอครั้งนั้นจากแก้วได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับยังราชธา น, นีนั้นมาปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิที่พระทวาภายในพระราชวังณหน้นามุกที่ทรงวินิจฉัยราชกิจ ทำภายในพระราชวังของเท้าวเธอให้สว่างสวัยเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิองค์ที่สองเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจากักรพรรดิองค์ที่สองแม้พระเจ้าจากักรพรรดิองค์ที่สาม แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่หแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่6แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่7เมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีได้รับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าบุรุษผู้เจริญในขณะที่ท่านเห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งเพึ่บอกแก่เราทันที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 พิสุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่าลูกเอย๋ยทราบว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งณบัดนี้พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานการามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้ว บัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอย๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจะโกนผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตครั้นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วทรงปลงพระเกศาและพระมสุกทรงครองผ้ากาสาวพั์ เสด็จออกจากพระราชวังพนววเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชฤาษีพนวกได้เจ็ดวันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตราทานไปภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราธทิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝาละองทุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์อัตรท า, านไปแล้ว ขณะนั้นเมื่อจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตราทานไปแล้วเท้าเธอทรงเสียพระไทยทรงแสดงความเสียพระไทยให้ปรากฏแต่ไม่ได้เสด็จเข้าไปหาพระราชฤาษีทูลถามถึงจักรวัฎีวัดอันประเสริฐในว่าเท้าเธอทรงปกครองประชาราษตามพระมติของพระองค์เองเมื่อเท้าเธอทรงปกครองประชาราษตามพระมติของพระองค์เองอยู่ประชาราษก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อน เหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจักวัดดีวัดอันประเสริฐอยู่ครั้งนั้นข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องค์มนตรีได้ประชุมกันกราบทูลเท้าเธอดังนี้ว่าขอเดชะทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงปกครองชนบทตามพระมติของพระองค์เองประชาราน ก, ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อน เหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจักรวัติวัตรอันประเสริฐอยู่พระเจ้าค่ะในเว้นแคว้นของพระองค์มีข้าราชการข้าราชบริพารโหราจาร์และมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีอยู่พร้อมทีเดียวข้าพระองค์ทั้งหลายและประชาราชนเหล่าอื่นจดจำจักรวัติวัตรอันประเสริฐได้อยู่ขอพระองค์โปรดตัดถามถึงจักรวัติวัตรอันประเสริฐเถิด พระองค์ตรัสถามแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะกราบทูลจักวาิวัรอันประเสริฐถวาย